หน้าตังธนวัครหมวดว่าด้วยเครื่องผูกที่มั่นคงหนึ่งพันธนาคารชาดกว่าด้วยเครื่องผูกฤาษีโพธิสัตว์เปล่งอุทานว่านักปราดไม่กล่าวเครื่องผูกที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าปล้องว่าเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงส่วนความกำนัดยินดีในแก้วมณีและต่างหูก็ดี ความเยื่อให่ในบุตรและพัญญาก็ดีนักปรากล่าวถึงเครื่องผูกที่ประกอบด้วยกิเลสนั่นว่าเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงคร่าสัตว์ให้ตกตำ่ำย่อหย่อนแก้ได้ยากนักปราทั้งหลายตัดเครื่องผูกนั้นได้ขาดหมดความเยื่อใหญ่และความสุขในความเสียแล้วหลีกไปพันธนาคารชาดกที่หนึ่งจบ 2. เกลิสศีลชาดก ว่าด้วยผู้มีปกติมัวเมาในการเล่นพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแสดงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าพวกคงก็ดีนกกรเรียนก็ดีนกยุงก็ดีช้างก็ดีเนื้อฟานก็ดีกลัวราชสีด้วยกันทั้งนั้นร่างกายไม่ถือเป็นประมาณในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันแม้เด็กถ้ามีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้ ส่วนคนพาลถึงจะมีร่างกายใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เกลิศีลชาดกที่สองจบ 3. คันธชาดกว่าด้วยคันธปริษต์ป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆได้ฤาษีโพธิสัตว์สอนดาบททั้งหลายให้เจริญเมตตาในพญางูทั้งสีว่าเราขอมีเมตตากับตระกูลพญางูวิรูปัก เราขอมีเมตตากับตระกูลพญางูเอราปถ ะ, ะเราขอมีเมตตากับตระกูลพญางูชาพยาบุตร существ. เราขอมีเมตตากับตระกูลพญางูกันหาโคตามกะเราขอมีเมตตากับสัตว์ไม่มีเท้าเราขอมีเมตตากับสัตว์สองเท้าเราขอมีเมตตากับสัตว์สีเท้าเราขอมีเมตตากับสัตว์หลายเท้าสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา สัสตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัสตว์มีหลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราขอสัพพสัตว์ที่มีลมหายใจขอสัพพสัตว์ที่ยังมีชีวิตทั้งมวลจงพบกับความเจริญความชั่วช้าอย่าได้มาแ uh ผ่วพานสัสตว์ตนใดตนหนึ่งเลยพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมมีพระคุณหาประมาณไม่ได้ พระสงค์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายคืองูแมงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแก่หนูมีคุณหาประมาณได้เราทําการรักษาทําการป้องกันไว้แล้วขอหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายจงหลีกไปเรานั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็พระองค์ขันตชาดกที่สามจบ 4. วีรกะชาดกว่าด้วยกาวีรกะโพธิสัตว์นางกาเมียของกาสวิทธกะไม่เห็นกาสวิทธกะกลับมาจึงถามกาวีรกะโพธิสัตว์ว่าท่านวีรกะท่านเห็นนกชื่อสวิทธกะผัวข้าพเจ้าที่ร้องด้วยเสียงอันไพเราะมีสร้อยคอสีคล้ายสร้อยคอนกยูงบ้างไหมกาวีรกะโพธิสัตว์กล่าวว่า กาสวิทกะเมื่อทำตามปักษีที่มีปกติเที่ยวหากินทั้งทา ง, ทงน้ำและทางบกกินปลาดิบอยู่เป็นนิดถูกสารายพันคอตายแล้ววีรกะชาดกที่สี่จบ 5. คาข้างเคยยะชาดกว่าด้วยเต่างามกว่าปลาในแม่น้ำคงคาเต่ากล่าวกับปลาว่าปลาที่อยู่ในแม่น้ำคงคาก็งาม ถึงปลาที่อยู่ในแม่น้ำยมุนาก็งามแต่สัตว์สีเท้ามีสันฐานกลมคล้ายต้นไทรมีคอยื่นออกมานิดหน่อยตัวนี้สง่างามกว่าใครทั้งหมดปลากล่าวว่าท่านไม่ตอบเหตุที่เราถามท่านถูกถามอย่างหนึ่งกลับตอบไปเสียอีกอย่างหนึ่งคนที่ยกย่องตนเองพวกเราไม่ชอบใจเลยครั้งเคยยะชาดกที่ห้าจบหก ปูรุงคะมิฆาชาดกว่าด้วยนกและเต่าช่วยกวางนกสตะป ต, ตะช่วยกวางให้พ้นจากบ่วงแล้วจึงกล่าวว่าเอาเถิดเต่าเอย๋ยเจ้าจงใช้ฟันกัดบ่วงหนังส่วนเราจะกระทำโดยวิธีที่นายพรานจะมาไม่ถึงพระศ า, าสดาตรัสพระคถาที่สองว่าเต่าก็ลงน้ำกวางก็เข้าป่าส่วนนกสตะป ต, ตะกลับถึงต้นไม้แล้ว ได้พาลูกๆนี้ไปอยู่แสนไกลปุรุงคะมิฆะชาดกที่หจบ 7. อสกะชาดกว่าด้วยพระนางอุปรีเทวีของพระเจ้าอสกะพระนางอุปรีเทวีของพระเจ้าอสกะสวรรคตไปเกิดเป็นนอนได้กล่าวคถา ภ, าภาษามนุษย์ในถ้ากลางบริษัทว่าสถานที่นี้ข้าพระเจ้าได้เที่ยวเล่น กับพระเจ้าอศกะพระสวามีสุดที่รักผู้มีพระประสงค์ตามความใคร่ความสุขและความทุกข์เก่าๆถูกความสุขและความทุกข์ใหม่ๆปิดบังไว้เพราะฉะนั้นมแมลงจึงเป็นที่รักของขพระพเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าอศกะเสียอีกอสกะชาดกที่เจจบ 8. สูงสุมาราชาดกว่าด้วยปัญหาของจระเข้ พยาวานนโพธิสัตว์ได้กล่าวกับจระเข้ว่าย่าเลยสําหรับมะม่วงผลว่าและผลขนุนที่ท่านเห็นที่สมุดฝั่งโน้นผลมะเดื่อของเราประเสริฐกว่าร่างกายของท่านใหญ่โตเสียเปล่าแต่ปัญญาไม่สมกับร่างกายเลยนี่จระเข้เจ้าถูกเราลวงแล้วบัดนี้เจ้าจงไปตามสบายเถิดสูงสุมาราชาดกที่แปดจบเก้า กุกุตตะชาดกว่าด้วยไก่ไก่ต้องการจะให้ในพรานละอายใจจึงพูดเป็นภาษามนุษย์ว่าต้นหูกวางต้นสมอพิเภกในป่าขขาพเจ้าได้เห็นแล้วต้นไม้เหล่านั้นไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้เหมือนกับท่านในพรานกล่าวว่าไก่ตัวนี้คือไก่ตัวเก่าที่แหกกรงหนีมาเป็นไก่ที่ฉลาดหลบหนีจากบ่วงหางสัตว์มาได้ และยังขันย่เย้ยเสียอีกกุตุตชาดกที่เก้าจบสิ 10. กันทะคละกะชาดกว่าด้วยนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่นนกหัวขวานกันทะคละกะตกลงที่พื้นดินแล้วกล่าวกับนกหัวขวานคธิรวนิยปโธทิสัตว่าท่านคธิรวนิยผู้เจริญ ต้นไม้ต้นนี้มีใบเกลี้ยงมีน้ำชื่อต้นอะไรกระหม่อมของข้าพเจ้าแตกเพราะการเจาะต้นไม้นี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนกหัวขวานคติระวนิยะโพธิสัตว์ฟังคำรำพันของนกหัวขวานกันทะคละกะแล้วจึงกล่าวว่านกหัวขวานตัวนี้ชื่อกันทะคละกะเมื่อจะเจาะหมู่ไม้ในปา่าได้บินท่องเที่ยวไปในหมู่ไม้แห้งที่ไม่มีแกน ต่อมาภายหลังได้มาพบไม้ตะเคียนซึ่งมีแก่นโดยธรรมชาติได้ทำลายกระหม่อมที่ต้นตะเคียนนั้นแล้วกันทะคละกะชาดกที่10บจบณตังทันหะวัคที่6กจบรวมชาดกที่มีนิวักนี้คือ 1. พันธนาคารชาดก 2. เกลิศีละชาดก 3. คันทชาดก 4. วีรกะชาดก 5. คังเคยยชาดก 6. กปูรุงฆะเมิขาชาดก 7. อ็อสกะชาดก 8. สูงสุมาระชาดก 9. กกุกุตตะชาดก 10. กันทะคละกะชาดก พีรณะธรรมภกะวักหมวดว่าด้วยป่าชาพีรณะธรรมภะหนึ่งโสมทัตตชาดกว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโสมทัตรพราหม์โสมทัตตะโพธิสัตว์กล่าวกับพ่อว่าพ่อเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เป็นนิดเด็กกระทําความเพี้ยนอยู่ในป่าชาที่ชื่อพีรณะธรรมภะตลอดทั้งปีครั้นเข้าสู่ที่ประชุมบริษัทกลับพูดอีกอย่างหนึ่ง ความเพียรป้องกันผู้ปราศจากปัญญาไม่ได้พราหม์ผู้เป็นบิดากล่าวว่าพ่อสมมติขึ้นชื่อว่าผู้ขอย่อมได้ผลสองอย่างคือหนึ่งไม่ได้ทรับสองได้ทรัพย์เพราะว่าการขอมีสภาพเช่นนี้เป็นธรรมดาโสมมติตชาดกที่หนึ่งจบ 2. องอุชิตะพัตตาชาดก ว่าด้วยพราม์บริโภคอาหารที่เป็นเดนพราม์ถามนางพรามณีว่าข้าวข้างบนมีอุณหภูมิอย่างหนึ่งข้าวข้างล่างมีอุณหภูมิอย่างหนึ่งแม่พรามณีฉันขอถามเธอหน่อยเถิดทำไมข้าวข้างล่างจึงเย็นส่วนข้าวข้างบนจึงร้อนบุตรนักฟ้อนโพธิสัตว์ได้บอกพฤติกรรมทั้งหมดกับพราม์ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นนักฟ้อน เที่ยวขอมาจนถึงที่นี่ส่วนชายชูของนางพรามณีนี้ลงไปซ่อนตัวอยู่ใน้างข้าวคนที่ท่านเ ส, ะสะแสวงหานั้นก็คือชายชูนี้แหละอุจจต t h พัตตชาดกที่สองจบสพรุราชาชาดกว่าด้วยพระราชาแควนพรุพระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตมาแล้วแต่พระคทถาเหล่านี้ว่าทถาค ด, ดีสดับมาว่า พระราชาแห่งแคว้นพรุทรงกระทำช่องว่างระหว่างเรอสีทั้งหลายเพราะความชอบพระองค์ทรงประสบความวิบัติพร้อมทั้งถูกตัดขาดจากแคว้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญการลุกอำนาจความพอใจบุคคลผู้มีจิตอันกิเลสไม่ประทุสรายจะกล่าวแต่ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสัจจะเท่านั้นพะรุราชาชาดกที่สาจบสี่ คุณณทีชาดกว่าด้วยการอุปมาด้วยแม่น้ําที่เต็มฝั่งพระราชาทรงระลึกถึงคุณของโปรโหิตโพธิสัตว์แล้วทรงเขียนคาถาลงในใบลานว่าชนทั้งหลายกล่าวถึงแม่น้ําที่เต็มฝั่งว่ากาตัวใดกินได้ก็ดีกล่าวถึงข้าวกล้าที่เกิดแล้วว่ากาตัวใดหลบซ่อนอยู่ได้ก็ดีกล่าวถึงคนรักที่จากไปอยู่เสือไกลกลับมาว่า กาตัวใดบอกข่าวให้ก็ดีกาตัวนั้นเรานำมาให้ท่านแล้วเชิญเธอท่านพราหมณ์ท่านจงบริโภคเนื้อกานั้นเถิดปุโรหิตโพธิสัตว์อ่านหนังสือแล้วทราบว่าพระราชาทรงคิดถึงจึงกล่าวว่าเมื่อใดพระราชาทรงระลึกถึงเราเพื่อจะส่งเนื้อกามาให้เนื้อหงก็ดีเนื้อนกกระเรียนก็ดีเนื้อนกยุงก็ดีที่เรานาไปถวายแล้ว เมื่อนั้นทำไมจะไม่ระลึกถึงเราการไม่ระลึกถึงเราเสียเลยจะเป็นความเลวสามปุณณ น, น, นาทีชาดกที่สี่จบหกัจปะชาดกว่าด้วยเต่าอมาตโพธิสัตว์ผู้อนุสตต์อัดและทมแก่พระราชาได้ยกราบทูลว่าเต่าพออ้าปากจะพูดได้ฆ่าตนแล้วหนอเมื่อคาบท่อนไม้อยู่ดีแล้ว กลับฆ่าตนเองเสียด้วยคำพูดของตนนั่นแหละค่าแต่พระองค์ผู้เป็นเสริฐที่สุดในหมู่วีรชน น, นรชนผู้เป็นบัณฑิตเห็นเหตุนี้แล้วควรพูดให้ดีไม่ควรพูดให้เกินเวลาทรงทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าค่าเต่าถึงความพินาศเพราะการพูดมากกาัจจปะชาดกที่หจบ 6. มัชช า, ชาดกว่าด้วยปลา ปลาตัวผู้ร้องรำพันถึงปลาตัวเมียว่าไฟนี้ก็เผาเราให้เร่าร้อนไม่ได้แล้วที่เสียมดีแล้วก็ทำความทุกทรมานให้แก่เราไม่ได้เหมือนเรื่องที่นางปลาเข้าใจเราว่าไปยินดีนางปลาตัวอื่นเลยไฟเคยราคะนั้นเผาเราให้เร่าร้อนจิตของเราเองเบียดเบียนเราให้ลำบากพรานแหทั้งหลายขอพวกท่านจงปล่อยเราไปเถิด สัตผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งกามคุณพวกท่านไม่ควรฆ่าไม่ว่าในการไหนไหนมัจฉ ช, ชาดกที่หจบ 7. เสคุชาดกว่าด้วยนางเสคุอุบาสกเรียกกล่าวกับลูกสาวผู้กำลังคล่่าครวญอยู่ว่าสัตว์โลกทั้งหมดมีความพอใจในการเสพกามแม่เสคุเอย๋ยเจ้าไม่รู้เรื่องของชาวบ้าน แม่เด็กน้อยการที่เจ้าถูกพ่อจับมือในป่าใหญ่แล้วร้องไห้คร่ำครวญ น, นั้นมันเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าในวันนี้กุมารีฟังคํานั้นแล้วคร่ำครวญกล่าวว่ายาเมื่อฉันมีความทุกข์คนที่เป็นที่พึ่งคือบิดาของฉันเองแต่กลับประทุสร้ายฉันในป่าฉันจะคร่ำครวญหาใครเล่าในถ้ำกลางป่าคนที่จะช่วยเหลือฉันได้กลับทากรรมที่หน้าบัตสีเสียเอง เสคุชาดกที่เจ็ดจบ8ปดปูตะวานิชาชาดกว่าด้วยพ่อค้าโกงอามาตโพธิสัตว์ผู้พิาาาพากษาทราบว่าพ่อค้าบ้านนอกคิดโกงเมื่อจะแก้เอาชนะคนโกงจึงกล่าวว่าการที่ท่านคิดช่อชนต่อ บ, บุคคลผู้ช่อชนเป็นการคิดที่ดีแล้วการโกงต่อ บ, บุคคลผู้โกงท่านกระทําตอบแล้ว ถ้านหนูทั้งหลายพึงเคี้ยวกินผานได้ทำไมนกเหยี่ยวทั้งหลายจะพึงเฉียวเด็กไปไม่ได้ด้วยว่าคนโกงโกงตอบคนโกงมีอยู่มากในโลกคนอื่นผู้ล่อลวงตอบคนล่อลวงก็มีอยู่เหมือนกันท่านผู้มีบุตรหายท่านจงให้ผานแก่คนที่มีผานหายเถิดขอคนผู้มีผานหายอย่าได้ลักพาบุตรของท่านไปเลย กูตะวานิชาชาดกที่แปจบ 9. ครหิตชาดกว่าด้วยผู้ครองเรือนถูกพยาวานอนตีนพยาวานอนโพธิสัตวดได้กล่าวกับพวกวานอนว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญาซามไม่เห็นอริยธรรมกล่าวกันอย่างนี้ว่าเงินของฉันทองของฉันทั้งคืนทั้งวันในเรือนหลังหนึ่งมีเจ้าของเรือนอยู่สงคน ในสองคนนั้นคนหนึ่งไม่มีโหนดนมยานเกล้าผมมวยและเจาะหูถูกซื้อมาด้วยซ้ำเป็นจำนวนมากชายเจ้าของเรือนนั้นพูดเสียแทงชนนั้นตั้งแต่วันที่มาถึงพระหิตะชาดกที่เก้าจบสิบธรรมมัทะชะชาดกว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นธงชัยเท้าสักกะตรัถามปุโรหิตโพธิสัตว์ว่า ท่านดูเหมือนอยู่เป็นสุขท่านจากบ้านเมืองมาสู่ป่าแห้งแล้งนั่งเพ่งพินิษ์คิดอะไรอยู่ผู้เดียวที่โคนไม้เหมือนคนกำพร้าปุโรหิตโพธิสัตว์กล่าวว่าเขาพระเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเขาพระเจ้าจากบ้านเมืองมาสู่ป่าแห้งแล้งหวนระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษนั่งพินิษ์คิดอยู่แต่ผู้เดียวที่โคนไม้เหมือนคนกำพร้าธรรมมัทธะชาดกที่สิบจบ พีระณะธรรมภะกะวักที่7จบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. โสมัทธตชาดก 2. อุชิตะพัตตชาดก 3. พรุราชาชาดก 4. ่บุญนาทีชาดก 5. กัจฉปะชาดก 6. มัชชชาดก 7. เซคุชาดก 8. กูตะวานิชชชาดก เกาครหิตะชาดก 10. ธรรมมัทชาชาดก 8. กาสาวะวักหมวดว่าด้วยผ้ากาสาวพัด 1. นึกาสาวะชาดกว่าด้วยผ้ากาสาวพัด พญาช้างโพธิสัตว์ได้ติเตียนมนุษย์เข็นใจที่นุ่งห่มผ้ากาสวพัดว่าผู้ใดมีกิเลสดูดน้ำฝาดยังไม่หมดไปปราศจากธรรมะและสัจจะจากนุ่งห่มผ้ากาสวพัดผู้นั้นไม่สมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัเลยส่วนผู้ใดคลายกิเลสดูดน้ำฝาดได้แล้วตั้งมั่นด้วยดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะ ผู้นั้นแหลสมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดกาสาวชาดกที่หนึ่งจบสองจูละนันทยะชาดกว่าด้วยพยาวานนจูละนันทยะบุรุษชั่วถูกแผ่นดินสูกลึกถึงโอวาทของอาจารย์ได้จึงกล่าวรำพันว่าท่านอาจารย์ปาราสริยเรียกล่าวคำใดไว้ว่า ท่านอย่าได้ทำความชั่วที่ทำแล้วจะทำตนให้เดือดร้อนในภายหลังคำนี้เป็นคำของอาจารย์คนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วคนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นจูระนันทยาชาดกที่สองจบสามปุตพัตตชาดก ว่าด้วยหอเข้าเปล่าอมาตพธิสัตผู้อนุศาสอธจ ร, รมแก่พระราชาได้กราบทูลพระเทวีว่าบุคคลควรนอบน้อมแก่ผู้ที่นอบน้อมควรครบผู้ที่คบด้วยควรทากิจแก่ผู้ที่ช่วยทากิจไม่ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ควรครบแม้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะคบด้วยควรละทิ้งผู้ที่ละทิ้ง และไม่ควรทำความเยื่อใยไม่ควรครบกับผู้มีจิตใจเหินห่างควรมองหาผู้อื่นที่มีความเยื่อใยเหมือนนกรู้ว่าต้นไม้นี้หมดผลแล้วไปยังต้นไม้อื่นเพราะว่าโลกกว้างใหญ่ปุตพัตชาดกที่สามจบ 4. กุมภีลชาดกว่าด้วยเจรเขสันเสริญพยาวานน พระโพธิสัตว์ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าพยาวานอนผู้ใดมีท ร, รสี่ประการนี้คือหนึ่งสัจจะสองธรรมะสทิฏฐิสจาระะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้ส่วนผู้ใดไม่มีคุณธรรมอันเป็นเครื่องให้เจริญอย่างยิ่งสประการนี้คือหนึ่งสัจจะสองธรรมะสามทิฏฐิ สจาคะผู้นั้นย่อมครอบมมสตรูที่ตนพบเห็นไม่ได้กุมมะพีราชาดกที่สี่จบ 5. ขันติวันณะชาดกว่าด้วยการพนานาขันติอมาตคนหนึ่งไม่อาจอดกลั้นความผิดของตนได้จึงทูลถามพระราชาว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระพุทธเจ้ามีคนที่ขวนขวายในกิจการทุกอย่างอยู่คนหนึ่ง แต่เขามีความผิดอยู่เรื่องหนึ่งพระองค์จะทรงดมริเป็นประการใดในความผิดนั้นพระเจ้าข่าพระราชาตรัสว่าเราก็มีคนเช่นนี้อยู่คนหนึ่งและเขาก็ปรากฏอยู่ที่นี้ขึ้นชื่อว่าคนที่พร้อมด้วยองคุณทุกอย่างหาได้ยากเราจึงชอบใจขันติขันติวันณะชาดกที่หจบ 6. โกศยาชาดกว่าด้วย ผู้รู้การควรไม่ควรเหมือนนกเขาบัณฑิตโพธิสัตว์กราบทูลข้อความนี้แก่พระราชาว่าขึ้นชื่อว่าการออกไปจากที่อยู่อาศัยในการอันสมควรเป็นการดีส่วนการออกไปในการอันไม่สมควรไม่เป็นการดีเพราะว่าชนจำนวนมากที่เป็นศัตรูทำคนเพียงคนเดียวที่ออกจากที่อยู่อาศัยโดยการอันไม่สมควรแล้วไม่ยังประโยชน์อะไรอะไรให้เกิดขึ้น ให้ถึงความพินาศเหมือนหมู่นกกาทำลายนกเค้าตัวเดียวให้พินาศนักปราดรู้ซึ่งถึงวิธีการต่างๆเข้าใจถึงช่องทางของคนเหล่าอื่นทำพวกศัตรูทั้งหมดให้อยู่ในอำนาจแล้วพึงอยู่เป็นสุขเหมือนนกเขาผู้ฉลาดโกิยชาดกที่หจบ 7. คู่ถาะปานกะชาดกว่าด้วยนอนท้าช้างสู้ นอนร้องเรียกช้างว่าท่านก็เป็นผู้กล้าหาญมาพบกับเราผู้กล้าหาญผู้สามารถที่จะประหารได้โดยไม่ย่นย่อพญาช้างท่านจงกลับมาก่อนท่านกลัวหรือจึงหนีไปขอชนชาวแคว้นอังคะและมคตจงเห็นความกล้าหาญของเราและท่านเถิดช้างเมื่อจะรุกรบกับนอนนั้นจึงกล่าวว่าเราจากไม่ให้เท้างาและงวงฆ่าเจ้า เราจะใช้คูดข่าเจ้าเจ้าหนอเนี่ยคูดเน่าจงถูกของเน่าข่าเถิดคู่ธะปานกะชาดกที่เจจบ 8. ปกมณีตะชาดกว่าด้วยคนที่ถูกความอยากครอบงำพระราชาตรัสกับท้าวสักกะเทวราชโพธิสัตว์ว่าเราอยากได้พระนครทั้งสามและรัฐทั้งสามคือหนึ่งปัญจาละ 2. กุรุยะสเกกะในระหว่างพระนครเหล่านั้นพ่อพรามเอย๋ยเราอยากได้ยิ่งกว่าราชสมบัติที่เราได้แล้วเสียอีกเจ้าจงเยียวยาข้าพเจ้าผู้ถูกความอยากทำลายแล้วเถิดเท้าส ก, กเทวราชโพธิสัตว์ตรัสกับพระราชาว่าจริงอยู่คนถูกงูเห่ากัดหมอบางคนก็รักษาหายคนถูกผีสิง หมอผีที่เก่งบางคนก็ขับออกได้แต่คนถูกความอยากทำลายใครๆก็เยียวยาไม่ได้เพราะว่าคนที่ล่วงเลยกุศลธรรมแล้วจะเยียวยาได้อย่างไรกามณีตชาดกที่8จบก 9. ปลายิตชาดกว่าด้วยการขับไล่ศัตรูแบบสายฟ้าแลบพระเจ้าโรมทัตโพธิสัตว์ ทรงดาริจะยึดเอาเมืองตากศิลาจึงตรัสว่าตากศิลาถูกกองทัพช้างอันเกลียงไกลถูกกองทัพม้าสินทบอันเกลื่อนไกลถูกกองทัพรถประดุดเกลียวคลื่นในมหาสมุทรอันยังหาฝนคือลูกศรให้ตกลงประชุมเมฆฝนอันหนาทึบถูกกองทัพทหารราบซึ่งถือดาบกวาดแกว่งประหารได้อย่างแม่นยำล้อมรอบด้านท่านทั้งหลายจงเรียบรุกเข้าไป จงรีบบุกเข้าไปจงโหร้องให้อกทึกกึกกล้องพร้อมกับพญาช้างที่ประเสริฐในวันนี้ประดุดสายอสนิบาตอันแผ่ซ่านออกจากเมฆคำรามกลึกก้องอยู่ปลายิตะชาดกที่9จบ 10. ทุติยปลายิตะชาดกว่าด้วยการขับไล่ศัตรูแบบสายฟ้าแลบเรื่องที่สอง พระเจ้าคันทาระได้ตราสันเสริญกองทัพของพระองค์ว่าธงสำหรับรถของเรามากมายมีจํานวนไม่ใช่น้อยถึงพลพาณนะก็กําหนดนับไม่ได้ยากที่ศัตรูใดๆจะครอบงมย่ำยีได้ดุดสมุตสาคอนยากที่ฝูงกาจะบินข้ามพ้นได้อันหนึ่งกองทัพของเรานี้ก็ยากที่กองทัพอื่นจะครอบงมย่ำยีได้ ดูดภูเขาอันลมไม่สามารถจะพัดให้หวั่นไหวได้วันนี้เรานั้นมีกำลังเห็นปานนี้ยากที่พระราชาเช่นท่านจะครอบงำย่ำยีได้พระราชากรุงพารณสีโพธิสัตว์ทรงขู่ขวัญพระเจ้าคันธาระว่าท่านอย่าพูดพร่มเพ้อถึงความที่ตนเป็นคนพาลไปเลยเพราะว่าพระราชาเช่นท่านไม่สามารถจะยึดเอาราชสมบัติได้ เพราะท่านถูกความเร่าร้อนแผดเผาอยู่เสมอดังนั้นจึงข่มขี่ครอบเมงำพระราชาเช่นเราไม่ได้ท่านนั้นประดุดเข้าไปใกล้ข้อจัสานตกมันที่เที่ยวพลานไปเพียงตัวเดียวซึ่งจากบทขยี้ท่านให้แหลกลานเหมือนเหยียบย่ำพงอ้อให้เป็นจุนไปทุติยปลายิตะชาดกที่ส0บจบกาสาววัคที่แปดจบ รวมชาดกที่มีในวร์นี้คือ 1. กาสาวชาดก 2. จูละนันทิยะชาดก 3. ปุตพัตตชาดก 4. กุมมพีละชาดก 5. คันติวันณะชาดก 6. โกิยะชาดก 7. คูถปานกะชาดก 8. กามนิตะชาดก 9. ปลายิตชาดก 10. ทุติยะปลายิตชาดก mm hmm. 9. อุปาหณะวักหมวดว่าด้วยอุปมาด้วยรองเท้า 1. อุปาหณะชาดกว่าด้วยการใช้ศิลปะในทางที่ผิด ขอให้เกิดโทษเหมือนรองเท้ากัดในความช้างโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่ารองเท้าที่คนซื้อมาเพื่อต้องการความสบายเท้ากลับนําทุกมาให้รองเท้านั้นถูกความร้อนแผดเผาถูกพื้นครูสีย่อมกัดเท้าคนผู้นั้นนั่ น, น, นแหละฉั้นใดผู้ใดเกิดในตระกูลต่ําไม่ใช่อริยชนเรียนศิลปะวิทยาในสํานักของอาจารย์แล้ว ผู้นั้นย่อมฆ่าตนเองด้วยศิละปะวิทยาที่เรียนมาในสำนักของอาจารย์นั้นฉันนั้นบุคคลนั้นบัณฑิตเรียกว่าอนารยชนเปรียบด้ยวยรองเท้าที่ทำไม่ดีอุปาหณชาดกที่หนึ่งจบ 2. วีนาถูณชาดกว่าด้วยชายค่อมนอนขดเหมือนคันพินเศรษฐีโพธิสัตว์สนทนากับธิดาเศรษฐีว่า เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่คิดอย่างนี้ชายข่อมผู้โง่เขลาคนนี้ไม่อาจจะเป็นผู้นำได้นางผู้เจริญเจ้าไม่ควรจะร่วมทางกับคนค่อมคนนี้เลยที่ดาเศษฐีฟังคําของพระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่าดิฉันเข้าใจว่าชายค่อมเป็นคนองอาจจึงได้รักใคร่เขาเขานอนโดอยู่อย่างนี้ดุดคันพินที่สายขาดวีนาถูณชาดกที่สองจบ วิกันนกะชาดกว่าด้วยกามาคุณเช่นกับชนกเจ้าหน้าที่จัดอาหารพูดกับเจระเคว่าเจ้าจงไปในสถานที่ที่เจ้าปรารถนาเถิดเจ้าถูกชนะแพงในที่อันสำคัญอันหนึ่งเจ้าเบื่อเบื่ อ, อยากๆกในอาหารเฝ้าติดตามฝูงปลาอยู่ถูกอาหารเคลาเสียงกลองขจัดเสียแล้วพระศาสดาครั้นทรงสแสดงชาดกนี้แล้วจึงตรัสว่า บุคคลผู้คล้อยตามโลกามิตรอย่างนี้อนุวัตตามอำนาจจิตย่อมเดือดร้อนบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนท่ามกลางหมู่ญาติมิสหายเหมือนจระเข้ตัวติดตามฝูงปลาถูกชนักแทงวิกันน ก, กะชาดกที่สจบ 4. อสิตาภูชาดกว่าด้วยพระนางอสิตาภูพระนางอสิตาภูตรัสกับพรหมทัต ก, กุมารว่า พระองค์นั่นแหละได้ทรงกระทําเหตุนี้ในการนี้หม่อมฉันปราศจากความรักใคร่ในพระองค์เสียแล้วบัดนี้ความรักใคร่นี้นั้นไม่อาจจะเชื่อมประสานได้อีกเหมือนกับงาช้างที่ถูกเลื่อยตัดขาดไม่อาจจะเชื่อมต่อได้ดังเดิมครั้นพระนางเสด็จจากไปแล้วพรมทักกุมารจึงคร่ำครวนว่าบุคคลผู้ปรารถนาเกินประมาณเพราะความโลภเกินไป และเพราะความเมาในความโลภเกินไปจึงเสื่อมจากประโยชน์อย่างนี้เหมือนตัวเราเสื่อมจากพระนางอสิตาภูอสิตาภูชาดกที่สจบ 5. วัชชนัขาชาดกว่าด้วยวัชชนัขาดาบทเศรษฐีกรุงพระนสีชวนวัชชนัขาดาบทโพธิสัตว์บริโภคกามว่าพระคุณเจ้าวัชชนัขา เรือนทั้งหลายที่มีเงินทองบริบูรณ์มีโภชนาหารมากมายเป็นเรือนที่มีความสุขซึ่งพระคุณเจ้าไม่ต้องค้นควายก็ฉันดื่มและนอนได้เลยวัชะนะคดาบทโพธิสัตว์ฟังเศรษฐีแล้วเรีกล่าวว่าคนไม่พยายามทำงานก็อยู่ครองเรือนไม่ได้คนไม่พูดมุสาก็อยู่ครองเรือนไม่ได้คนปล่อยวางอาชญาไม่ลงอาชญาบุคคลอื่นก็อยู่ครองเรือนไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะครองเรือนที่ให้เกิดความยินดีได้แสนยากที่บกพร่องได้วดชนานคะชาดกที่ห้าจบ 6. พพะกะชาดกว่าด้วยนกยางเจ้าเล่ฝูงปลาเห็นนกยางจึงกล่าวว่านกตัวนี้ดีจริงหนอมีปีกเหมือนดอกโกมุตหุปปีกทั้งสองจับเจ้าซบเซาอยู่ ปราโพธิสัตว์มองดูนกยางนั้นแล้วจึงกล่าวว่าพวกเจ้าไม่รู้ปกติของมันเพราะไม่รู้จึงพากันสรรเสริญนกยางตัวนี้ไม่ได้คุ้มครองพวกเราหรอกเพราะเหตุนั้นมันจึงไม่ขยับปีกพระกะชาดกที่หจบ 7. สาเกตาชาดกว่าด้วยทรงปราบพราหมชื่อสาเกตภิกษุทั้งหลายทูลถามพระาศาสดาว่า าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุใดหนอเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พอพบกันเข้าจิตใจก็เมินเฉยแต่บางคนพอพบกันเข้าเท่านั้นจิตก็เรื่อมใสพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งความรักแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าความรักนั้นเกิดด้วยสาเหตุสองประการคือหนึ่งด้วยการอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อน 2. ด้วยการเกื้อกูล ก, กันและกันในปัจจุบัน เหมือนดอกอุบลเกิดในน้ําสาเกตชาดกที่7จบ 8. เอกปัทะชาดกว่าด้วยเหตุอย่างเดียวทําให้บรรลุประโยชน์ได้หลายอย่างกุมาณน้อยผู้เป็นบุตรของเศรษฐีโพธิสัตว์ถามบิดาว่าคุณพ่อครับเหตุอย่างเดียวทําให้ได้บรรลุประโยชน์หลายอย่างมีอยู่หรือพวกเราจะทําประโยชน์หลายอย่างให้สําเร็จได้ด้วยเหตุอันใด ขอคุณพ่อจงบอกเหตุนั้นสักอย่างหนึ่งซึ่งรวบรวมเหตุไว้มากมายบิดาบอกแกกุมาน้อยนั้นว่าลูกเอย๋ยเหตุอันเดียวคือความขยันที่ให้ได้บรรลุประโยชน์หลายอย่างเพราะความขยันอันประกอบด้วยศีลเข้าถึงขันติอาจทาให้มิสหายมีความสุขหรืออาจทาให้ศัตรูทั้งหลายได้รับความทุกข์เอกับปทัชชาดกที่8จบ9 พระฤทมาตชาดกว่าด้วยกบเขียวงูจะถามกบเขียวโพธิสัตว์ว่าพ่อกบเขียวฝูงปลารุมกัดเราผู้มีพิษซึ่งเข้าไปยังปากรอบท่านพอใจหรือกบเขียวโพธิสัตว์เรียกกล่าวกับงูว่าคนกดขี่ข่มเหงผู้อื่นตลอดเวลาที่ตนเป็นใหญ่เมื่อเขาถูกคนอื่นซึ่งเป็นใหญ่กว่ากดขี่ข่มเหงบ้างก็ตอบโต้ พริตมาตชาดกที่9จบ 10. มหาปิงคละชาดกว่าด้วยพระเจ้าปิงคละพระโพธิสัตว์สวยพระชาเป็นพระโอรสของพระเจ้าปิงคละตรถามยามรักษาประตูว่าชนทั้งมวลถูกพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วประชาชนพากันยินดีนายทวารบาลพระเจ้าปิงคละผู้มีพระเนตรไม่ดำ เป็นที่รักของท่านหรือทำไมท่านจึงร้องไห้ยามรักษาประตูกล่าวทูลตอบว่าพระเจ้าปิงคละผู้มีพระเนตรไม่ดำเป็นที่รักของข้าพเจ้าก็หาไม่แต่ข้าพเจ้ากลัวการเสด็จกลับมาของพระองค์พระองค์เสด็จไปจากที่นี้แล้วจะต้องเบียดเบียนพญามาจุราชเขาถูกพระองค์เบียดเบียนแล้วพึงนำพระองค์กลับมาณที่นี้อีก พระโพธิสัตว์ตรัสปลอบยามรักษาประตูว่าพระเจ้าปิ่งคละนั้นถูกถวายพระเพลิงด้วยฟืนพันเล่มเกวียนพระอัฏฐก็สงด้วยน้ําตั้งร้อยหม้อสถานที่ถวายพระเพลิงนั้นเล่าก็ล้อมไว้แล้วไม่ต้องกลัวเสด็จมาไม่ได้หรอกมหาปิงคละชาดกที่สิบจบอุปาหณวักที่เก้าจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. อุปาหณะชาดก 2. วีนาถุณะชาดก 3. วิกันนกะชาดก 4. อสิภูตาชาดก 5. วัชนกชาดก 6. ภกะชาดก 7. สาเคตะชาดก 8. เอกปฏะชาดก 9. หาริสมาตะชาดก 10. มหาปิงคละชาดก